ในข้อ135ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระอ น, นุนนะก่อนที่พระองค์จะดับขันปริญิพานพระองค์ก็ได้สรรเสริญพระอ น, นุนต่อพระพิสุท์ทั้งหลายว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพิสุททั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายแม้พระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดได้มีแล้วในอดีต พระพุทธเจ้าในอดีตที่ล่วงผ่านมาภิกษุผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนพระอนนุ์ผู้เป็นอุปถากแห่งเราคือผู้ที่เรียกว่าเคยปฏิบัติดีมาแล้วผู้ที่เคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอดีตในอดีตพระองค์เหล่านั้นพุทธอุปถาเยี่ยมก็เสมอเข้ากับพระอนนุ์เพราะพระอนุลนั้นไม่เคยทําหน้าที่ให้บกพร่อง เพราะว่า ส, สาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตสาวกเหล่านั้นก็ปฏิบัติต่ตอพระพุทธเจ้าด้วยเมตตากายกรรมเมตตาว จ, จรรีกรรมเมตตามโนกรรมเช่นกับพระอนนท์นี่แหละแม้พระอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดจักมีในอนาคตภิกษุผู้อุปถาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่งก็เหมือนอนนท์ผู้เป็นอุปถาแห่งเรารยกย่องว่าพร ะ, พระอนนท์นี่เสมอกับ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 <karaoke. S 2> เวลาไหนไม่ควรเข้าเฝ้านี้เป็นการของพวกพิกษุนะว่ารู้เลยว่านี้ต้องแบ่งเวลาให้พระภิกสุแล้วนําพระพิสุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างไรนี้เป็นการของพวกภิกษุณีนี้เป็นกาละของพวกอุบาสกนี้เป็นกาละของพวกอุบาสิกานี้เป็นกาละของพระราชานี้เป็นกาละของราชมหาอมาตย์นี้เป็นกาละของพวกพเดรธีนี้เป็นกาละของ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 มันก็พันระนนจึงเป็นสุดยอดของอุปถากเนี่ยนะมันพระ อ, องค์ก็เลยตรัสยกย่องสรรเสริญพระอนอนท์ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็เกี่ยวข้องด้วยความฉานฉลาดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าว่าเวลาไหนควรจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วกิจหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรบ้างคือคนที่เป็นเป็นฉลาดฉลาดเนี่ยนะเขาไม่ใช่ทำอะไรแค่อย่างเดียวเขาทำได้หลายเรื่องบริหารจัดการได้ หลายอย่างเนี่ยนะความรับผิดชอบได้หลายๆอย่างด้วยกันดังนั้นความรับผิดชอบโดยเฉพาะว่ารับผิดชอบต่อผู้ที่ใกล้อ่าผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนี่ยนะซึ่งท่านท่านนท่านก็ทําได้นะว่าเวลาไหนตัวท่านเองควรจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาไหนหมู่ภิกษุและภิกษุเนี่ยมาจากหลากทิศเนี่ยนะมาจากทั่วสารทิศมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วภิกษุเหล่าใดเหล่าใดภิกษุเหล่าไหนเหล่าไหนเป็นอย่างไรจะเข้าเฝ้าได้เมื่อไหรอย่างไรนะบางทีเนี่ยบอกว่าโนนต้องไปเจอโนนที่ท่าน้ํนาบางทีนะนอย่างพระภิกษุบางกลุ่มอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนนทบอกไปรอที่โน่นเลยนะเดี๋ยวได้เวลาแล้วพระองค์จะไปที่นั่นเองทงั้งๆที่ยังไม่ได้คุยกับพระพุทธเจ้าเลยนะบอกไปรอโน่นได้เลยเดี๋ยวจะได้เฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวพระองค์ก็นิมก็เสด็จไปอย่างนั้นจริงๆนะก็เป็นไปตามอย่างที่แนวที่พระนนทคิดพระนนทไม่เคยบังคับไม่เคยอะไรเลยนะ อย่างมากบอกทางนี้ได้ไหมพระเจ้าข้าพระองค์ก็บอกได้ก็ไปแค่นี้เองแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคยสร้างความลำบากใจให้พระพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็คือพระอนนท์และพระอนนท์นั้นความสามารถของท่านเก่งถึงขนาดว่าภาษาริบุตรก็ยอมรับเนี่ยนะภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรเคารพยอมรับพระอนนท์มากนะท่านพระสารีบุตรได้ลูกศิษย์มาต้องให้พระอนนท์เป็นอุปชาบวชให้พระอนนท์ได้ลูกศิษย์มาก็ต้องให้พระสารีบุตรเป็น อุปชาบวชให้ตัวเองเป็นคู่สวดอ่าเป็นเป็นอาจารย์สวดให้เองเนี่ยนะสวดบวชพระให้เองเลยแล้วก็พระนนกับพระหมหากัะสป่านั้นคุ้นเคยกันมากคือพระที่ดีที่เก่งได้รับการยกย่องเนี่ยพระนนคุ้นเคยหมดคือพระนนเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนเนี่ยนะเป็นมิตรกับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอย่างนางวิสาขาก็เลื่อมใสามากในพระนนท์ถ้าถามว่าถ้าอ่าถ้าจะให้ใครเฝ้าวัดเชตวาวันเนี่ยจริงๆบางครั้งนางเนี่ยอยากนิมนต์พระนนอยู่มากแต่ว่า มันก็ยากนะนะไม่ใช่ว่าของง่ายเพราะพระพนอนนี่เป็นพุทธะอุปถาประจําของพระพุทธเจ้าเพราะพระนอนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่น่าอัศจรรย์อยู่ในตัวของพระนอนหลายประการได้ด้วยกันเนี่ยนะเรียกว่าสิ่งที่ไม่เคยมีมาสิ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สาหรับพระนอนนี่มีสูตรสี่อย่างในข้อหนึ่งสาสกพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลาย อภูตธรรมสิ่งที่ไม่เคยมีมาและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ในพระอ น, นุลอภูตธรรมคือสิ่งที่ไม่เคยมีและน่าอัศจรรย์ในพระอนลสี่อย่างเป็นไฉนะดูก่อนทิ่สุทั้งหลายถ้าภิกษุบริสัทเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอ น, นุลภิกษุบริสัทนั้นย่อมยินดีได้ด้วยการเห็นคือเห็นพระอนลก็สบายใจแล้วว่ากันได้ถ้ายิ่งพระอนลแสดงธรรมในภิกษุบริสัทนั้น ภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่พระนนท์แสดงแล้วภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยท่านพระนนท์ก็นิ่งในเวลานั้นคือเป็นคนที่ไม่จับวัดพูดพูดพูดซ้ำเนี่ยนะท่านก็พูดเยอะล่ะแสดงมากล่ะแต่ว่าฟังยังไม่ทันอิ่มพระนนท์ก็เลิกเทศะแล้วอย่างเงี้ยนะคือมีความสุขที่จะฟังมากดีใจมากที่ได้ฟังธรรมอ่ะคืออยากฟังให้มากอยากฟังให้เยอะอยากฟังอย่างต่อเนื่องแต่ว่า ความที่พระอนุนเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะแสดงธรรมโดยที่คนฟังไม่อิ่มก็แปลว่าไม่เบื่อคือถ้ารู้สึกอิ่มเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มล้นถ้าล้นเมื่อไหร่มันก็เบื่อขึ้นเพราะฉะนั้นพระอนุนเนี่ยจะไม่ลักษณะนั้นแสดงธรรมไม่เคยเรียกว่าคนฟังไม่เคยอิ่มเลยนะถ้าภิกษุณีบริษัทเยอะนั่นนะเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอนุนภิกษุณีบริษัทนั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็น ถ้าอานนต์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้นภิกษุณีบริษัทนั้นก็ย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่แสดงแล้วภิกษุณีบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนต์ก็นิ่งในเวลานั้นความสามารถของท่านว่าหกภิกษุณีนี้ก็มีความสุขที่จะฟังพระอนนต์แสดงธรรมแล้วก็ถ้าอุบาสกบริษัทเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอานนต์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 ขตัตย่าหรือกษัตริย์บริษรัทนั้นก็ยินดีแม้ด้วยพระดํารัสขัติย่บริษรัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจากักรพรรดิก็สงนิ่งในเวลานั้นนะแม้กระทั่งพราหมณ์บริษัทเครืหับดีบริษัทสมณะบริษรัททั้งหลายเนี่ยนะท่าน บ, บุคคลกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิสมณะบริษรัทนั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เข้าเฝ้า คือทุกคนเนี่ยดีใจใคล้ายๆกับไปเฝ้าในหลวงไงไหมทุกคนก็มีความสุขมากที่ได้เข้าเฝ้าอยากจะเข้าเฝ้ามานานแล้วอยากจะฟังเสียงท่านอยากจะคุยกับท่านเป็นต้นเนี่ยนะเพลนท่าพระเจ้าจากักรพรรดมีพระดํารัตในสมณบริสัถนั้นสมณบริสัถนั้นก็ยินดีแม้ด้วยพระดํารัตสมณบริสัถนั้นยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจากักรพรรดย่อมสงนิ่งในเวลานั้น ชั้นใดก็ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัภูตรธรรมธรรมที่ไม่เคยมีมามีขึ้นและน่าอัศจรรย์สี่อย่างมีอยู่ในพระอนนท์ฉันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุบริษัทเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอนนท์ภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีได้ด้วยการที่ได้เห็นถ้าอนน์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่พระอนนแสดงแล้ว ภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระอนนท์ก็ย่อมนิ่งในเวลานั้นภิกษุณีบริษัทเข้าไปก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะแต่เด็กเข้าไปหาท่านพระอนนท์อุบาสิกาบริษัทเหล่านั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็นอนนท์ถ้าอานนท์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดีแม้ด้วยธรรมะที่แสดงแล้วอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งในเวลานั้น ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอัพภูตธรรมธรรมที่น่าอัศจรรย์สี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่ในท่านอ น, นุ์หรือในพระอ น, นุนเนี่ยนะเยี่ยงกับพระเจ้าจักรพรรดิพระอ น, นุนเนี่ยนะโดยศัพท์อ น, นันทะแปลว่าผู้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจว่างั้นเถอะคือเห็นพระอ น, นุนนี้ก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งฟังธรรมของพระอ น, นุนแสดงก็ยิ่งสบายใจยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในอัตรกรถาที่บอกว่าพระอนนท์นั้นเป็นบัณฑิตก็เพราะท่านเฉียบแหลมกุส โ, โลเป็นคนที่ฉลาดในขันธาตุและอายตนะเป็นต้นคําว่าภิกขุปริสาอานันทังทัศนายะความว่าชนเหล่าใดประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็จะไปหาพระอนอนท์เถระก่อนและชนเหล่าใดมาได้ยินคุณของพระอนอนท์เถระว่าได้ยินว่าพระอนนท์นั้นมีความน่าเลื่อมใสยอยู่รอบด้าน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 ดีใจมากที่ได้พบเห็นและได้ฟังธรรมจากพระอ น, นุขณะเดียวกันพระอนุนก็มีธรรมปฏิสันฐานมีการพูดคุยกับพี่สุบริษัททั้งหลายว่าผู้มีอายุท่านททนได้หรือคือท่านเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ปฏิสันฐานนะเป็นคนที่เจรจา ป, ปราศัยมันจ็มีการสอบทานพวกท่านทนได้ไหมพอเป็นไปได้หรือ พวกท่านรำกิจนโยนิโสมนสิกานเจริญสมถาวิปัสนาอยู่หรือบำเพ็ญอาจารยวัตดอุปชัยวัตรอยู่หรือก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมถะและ ว, วิปัสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้รับปฏิสันถานภิสูจเหล่านั้นก็ดีใจพอใจแล้วก็สบายใจในนาที่ได้พบปะพูดคุยกับพระนนท์ไม่มีความหนักใจเลย อันพิษุณีบริษัทถ้าเข้าไปหาพระ น, นนท์ก็เหมือนกันพิษุณีบริษัทก็พระ น, นนท์ก็จะสอบถามว่าท่านพวกท่านยังสมาทานประพฤติครุธรรมแปดประการอยู่หรือแม้แต่พวกอุบาสกอุบาสิกาพระอ น, นนท์เนี่ยจะไม่ถามว่าท่านไม่ปวดศีรษะปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นหรือพระ น, นนท์ก็จะถามว่าท่านทั้งหลายหรืออุบากสกทั้งหลายสารณะสามของท่านเป็นอย่างไรเป็นยังไงตอนนี้ยังเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามั่นคงอยู่หรือยังมั่นคงในพระธรรมยังมั่นคงในพระสงฆ์อยู่หรือ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 คนเนี่ยแปลกนะถ้าหาว่าไปถามในสิ่งที่เขาทําอยูถ่ถามในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยโอย้มีความสุขเล่าไปเถอะคันเนี่ยพระนรนถามสามประโยคที่เหลือเขาเล่าให้พระนร น, นฟังหมดอันนั้พนพระนนก็ฟังไปนั่นนะขณะเดียวกันพอเขาพูดจบพระนร น, นก็แสดงทำต่อนี่นะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยกระทาการเปรียบเทียบพระนรนเช่นกับพระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้รับการมูรธาพิเศษแล้ว อย่างยกตัวอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิว่ากษัตริย์เหล่านั้นสดับคําพรรณนาคุณยกย่องคุณของพระเจ้าจักรพรรดนั้นว่าธรรมดาพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นคนที่รูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสเที่ยวไปในอากาศได้เถรึงถเถลิงถรวันราชสมบัติทรงธรรมเป็นพระธรรมราชาดังนี้ก็ย่อมดีใจเมื่อได้เห็นสมด้วยได้ยินพระคุณเนี่ยนะคือหมายความว่าพอได้เห็นปั๊บก็ยินดี